ไม่เบื่อได้ยังไงในเวลาห่งไกลแบบนี้ไม่มีเราชูนทะลาะและพูดคุยสักตาจะผิวปากเธอฮัมเพลงก็ไม่หายเงาปากเลยนีน่ยคงไม่ว่าเนี่ยขอกดมาทันนิดเดียงก็ปากมันวอนเลยต้องโทรมาบอกคิดถึงกันถ้าเธอเคคิด ช่วยแค่อยากร้เกลัวากมันมากเกินไปนที่ร้องไม่เอะ บอกกับใครดีเมื่อมีตาเธอในใจนะแม้วไม่อยู่ใครวันนู้าเรื่งซึ่งบอกฉันอย่าเข้าใจว่าโทรเช็กละแค่โทรมาชัดดูเพื่อเราเมันกันอาจจะช่วยให้เธอกับฉันได้หา จริงรงแล้วห่วงเท่นั้นแหละแต่ช่วยคิดสิบว่าไม่มีใครหน่อยก็โอ้ก็บาปมันวา่าถ้าเธอก็คิดถึงฉัช่วยเพียงให้รู้บ้างเถิกลัวบาปเธอวนมากกันไป อย่าทำแบบนั้นนะก็ปากมันว่างเลยต้องโทรมาบอกคิดถึงกันถ้าเธอเคยคิด